การที่สาสิกขาบทพระบัญญัติมาตราหนึ่งหนึ่งเป็นสิกขาบทอันหนึ่งอันหนึ่งสิกขาบทนั้นทรงตั้งขึ้นด้วยเป็นพุทธอาณาที่ได้แก่อาธิโรมาจริยกาสิกขาก็มีทรงตั้งขึ้นด้วยเป็นอภิสมาจารคือขนบธรรมเนียมที่ได้แก่อภิสมาจาริกาสิกขาก็มี อย่างก่อนนั้นคืออธิปรมารียากาศิขามาในพระปาติโมกมีพระพุทธานุญาตให้สวดในที่ประชุมทรงทุกกึ่งเดือนอย่างหลังนั้นคืออภิสมาจาริกาศิขามานอกจากพระปาติโมกเว้นไว้แต่เสขิยาวัตรซึ่งมาในพระปาติโมกกระทู้นี้เป็นสำคัญควรใส่ใจในหนังสือนี้ จากตั้งกระทูนี้เป็นหลักและจากพันานาความตามกระทูนี้จํานวนแห่งสิกขาบทมาในพระปาติโมกมีพอประมาณจํานวนแห่งสิกขาบทมานอกพระปาติโมกมีมากกว่ามากจนพ้นความใส่ใจของผู้ศึกษาเรียกว่าค้นคันาก็ได้นอกจากนี้ยังมีข้อปรับอาบัตอันพระคันทโรจนาจารย์ ตั้งเพิ่มเติมเข้าไว้อีกเรียกว่าบาลีมุตตะทุกกฎสิกขาบทเหล่านี้ย่อมปรากฏเห็นเป็นมากจนฟั่นเฟือเหลือที่จะประพฤติให้ครบครันได้ทั้งกาละเทศะก็เข้ามาเป็นเหตุขัดขวางด้วยภิกษุทั้งหลายจึงได้หาทางหลีกเลี่ยงบ้างเลิกเสียกล่าวคือทนเป็นอาบัตเอาบ้าง เมื่อเลิกอย่างหนึ่งแล้วก็ชวนให้เลิกอย่างอื่นต่อไปอีกแม้ยังไม่ถึงเวลาพระสัสดาทรงคำานึงเห็นเหตุนี้มาแล้วเมื่อจะนิพพานได้ประทานพระพุทธานุ ญ, ญาตไว้ว่าถ้าทรงปรารถนาก็จงถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้แต่ก็ไม่มีใครกล้าถอนตรงๆเพราะเกรงจะไม่สมาเสมอกันซ้ำพระธรรมสังฆาหากาจาร์ทั้งหลายห้ามเสีย เมื่อครั้งทำประทมสังคยนาด้วยแม้อย่างนั้นภิกษุทั้งหลายก็ได้ถอนข้อที่ตนเห็นว่าเล็กน้อยเสียแต่ได้ถอนโดยทางอ้อมคือไม่ตั้งใจรักษาทนต้องอาบัตเอาข้าพเจ้าตรองหาอุบาเจเรียงพระวินัยแก้ความฟั่นเฟือของศิษยาบททั้งหลายเสียเพื่อบำรุงความศึกษาและความปฏิบัติของภิกษุทั้งหลายให้ดีขึ้น มาคำนึงถึงท่านจัดสิกขาในฝ่ายศีลเป็นสองคืออาธิโรงมจาริกาสิกขาและอภิสมาจาริกาสิกขาแล้วนำมาเทียบกับสิกขาบทมาในพระปาติโมกและนอกจากนั้นได้พบว่าลงรอยกันจึงได้ลงสันนิษฐานว่าจัดแต่งพันานาตามกระทู้ข้างต้นจัดเอาสิกขาบทมาในพระปาติโมกเป็นพุทธานาที่จะต้องรักษาไว้เป็นหลัก จัดเอาศิคยาบทนอกจากนั้นเป็นอภิสมาจาร์คือขนบธรรมเนียมของภิกษุที่จะพึงรักษาตามสามารถแม้จะขาดตกบกพร่องบ้างก็ไม่ถึงกับเสียความเกร่งหรือเป็นอลาชีแต่ภิกษุที่สมมุติว่าเป็นพระอริยบุคคลแล้วยังต้องอาบัตเหมือนกันจะขอสาทกความนั้นด้วยบาลีในพระสูตรหนึ่งซึ่งแปลเอาแต่ใจความตามที่ต้องการดังนี้ ภิกษุทั้งหลายสิกขาบทร้อยห้าสิบทั่วหนี้ย่อมมาสู่อุเทศคือความสวดในท่้ำกลางสงฆ์ทุกกึ่งเดือนที่กุลบุตรทั้งหลายกูปรารถนาประโยชน์ศึกษากันอยู่ภิกษุทั้งหลายสิกขาบทนี้มีสมที่สิกขาบททั้งปวงนั้นย่อมรวมกันอยู่สิกขาสามนั้นคืออะไรบ้างสิกขาสามนั้นคืออธิศิลและสิกขา อธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาภิกษุทั้งหลายนี้แลศสิกขาสามที่สิกขาบททั้งปวงนั้นรวมกันอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลเป็นผู้ทำพอประมาณในสมาธิเป็นผู้ทำพอประมาณในปัญญาคือเป็นโสดาบันเป็นสกทาคามีบางก็มี เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ทั้งในศีลทั้งในสมาธิแต่เป็นผู้ทำพอประมาณในปัญญาคือเป็นอนาคามีบ้างก็มีเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ทั้งในศีลทั้งในสมาธิทั้งในปัญญาคือเป็นพระอรหันต์บ้างก็มีเธอย่อมล่วงศิขาบทเล็กน้อยบ้างย่อมออกจากอาบัติบ้างเอจชะนหนจึงเป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลาย เหตุว่าไม่มีใครกล่าวความเป็นคนอาภัพคือไม่อาจบรรลุโลกุตระธรรมเพราะเหตุล่วงสิกขาบทนี้ก็แต่ว่าสิกขาบทเหล่าใดเป็นเบื้องต้นแห่งพรมจรรย์สมควรแก่พรมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนเป็นผู้มีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมาธานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุนทั้งหลายภิกษุผู้ทำได้ดีเพียงเอกเทศ ย่อมทำได้ดีเพียงเอกเทศพูดทำให้บริบูรณ์ได้ย่อมทำให้บริบูรณ์อย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายเราจึงกล่าวว่าสิกขาบททั้งหลายหาเป็นหมันไม่ประสูตรนี้มาในวรรคที่สี่แห่งทุติยปั น, นาสกะติการนิบาตอังคุธรานิกายขึ้นที่หน้าส0 1ร้อหนึ่งแห่งฉบับพิมพ์ของหลวง ผู้ต้องการจงพลิกดูเถิดตามพระสูตรนี้ยังจัดสิกขาบทที่มาในพระปาฏิโมกเป็นสำคัญที่ว่าเป็นเบื้องต้นแห่งพรมจรรย์บ้างก็มีเป็นสิกขาบทเล็กน้อยบ้างก็มีในที่นี้จัดเอาสิกขาบทที่มาในพระปาฏิโมกทั้งมวลเป็นสิกขาบทสาคัญก็กว้างกว่าในพระสูตรอยู่แล้ว หมายเหตุผู้อ่านคำว่าสิกขาบทร้อยห้าสิบทวนมติหนึ่งท่านว่าในเวลาที่ตรัสนั้นเป็นสมัยที่มีปาติโมกเพียงร้อยห้าสิบข้อกับอีกแง่หนึ่งสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออปยุตโตทรงอธิบายไว้สรุปใจความว่าบาลีมีคำประกอบว่าสาธิกังซึ่งอาจแปลได้ว่าพร้อมกับสิกขาบทที่เกิน กัรจะอ้างอิงนั้นต้องดูจากรากศัพที่เป็นบาลีโดยตรงแนะนำให้ฟังหรืออ่านเรื่องรู้จักพระไตรปิฎกให้ชัดให้ตรงโดยสมเด็จพระพุทธโกษาจารย์ปอประยุตโตเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับข้อความจากพระไตรปิฎกเพิ่มเติมนะครับ สิกขาบทมาในพระปาติโมกบาลีพระสูตรซึ่งแปลไว้ในที่นี้แสดงว่าสิกขาบทมาในพระปาติโมกมีร้อยห้าบทนนับให้ครบจำนวนได้ดังต่อไปนี้ปราชิกสีสังฆาทิเศส13นิสัคิยปาจิตตี30สุทสุติกะปาจิตตีิ92ปาติเทสนิยะสีอธิกรณะสมถาเจต รวมเป็น150ห้บท่วนแต่ในพระปาติโมกข์ที่สวดกันอยู่และในคำภีวิพังแห่งสิกขาบทแสดงว่ามี227สิคกขาบทคือเติมอนิยตาสองเสคิยวัตร5ตามในยะานี้สนิษฐานเห็นว่าจะรอยเดิมจะมีเพียง150ห้ิท่วนตามที่กล่าวไว้ในพระสูตรก่อนจะทาสังคยนาครั้งใดครั้งหนึ่งที่แจกอัฏถแห่งสิกขาบท ซึ่งเรียกว่าบทภาชนะและสงเคราะห์เข้าเป็นส่วนอันหนึ่งแห่งคำพีวิพาง์นั้นหรือในครั้งนั้นเองจะได้เติมอนิยตาสองและเศรษยวัตรเจสบเข้าด้วยความข้อนี้ก็น่าเห็นจริงอย่างนั้นอ น, นิยตตาสิกขาบทไม่ได้ปรับอาบัติลงเฉพาะเหมือนสิกขาบทอื่นเป็นสิกขาบทที่แฝงอยู่ดังกาฝากคงจะเกิดขึ้น เพราะเรื่องภิกษุต้องหาว่าอยู่ในที่รับกับหญิงสองต่อสองแต่สันนิษฐานลงเป็นหนึ่งไม่ได้ว่านั่งหรือยืนทำอะไรกันบ้างหรือไม่ส่วนแสขิยาวัดนั้นก็มีอยู่ในที่อื่นแล้วคือในวัดตาคันทกะคัมพีจุลวัคและไม่เป็นข้อใหญ่โตอะไรเป็นแต่เพียงอภิสมาจารทั้งไม่ได้ปรับอาบัติไว้เฉพาะด้วย ในที่นี้ข้าพเจ้าจะกล่าวสิกขาบทที่มาในพระปาติโมกตามในยะที่มาในพระวินัยสิกขาบทที่มาในพระปาติโมกนั้นปรับอาบัติแก่ภิกษุผู้ละเมิดไว้ครบทุกชื่อโดยตรงสี่คือปา ร, ราชิกสังฆาทิเศษปาจิตติยะอันต่างโดยนิสักิยะและสุทธิกะและปาติเทสนยะโดยอ้อมสามคือทุนละใจทุกกฎ ทุพภาสิทธิสิกขาบทที่ทรงบัญญัติปรับอาบัตสูงกว่าทุกกฎขึ้นไปต่างว่ามีภิกษุพยายามจะละเมิดแต่ไม่ได้ทําความผิดเต็มดังกล่าวไว้ในสิกขาบทเช่นพยายามจะฆ่ามนุษย์และให้ประหารแล้วแต่เขาไม่ตายเช่นนี้จะปรับอาบาัตป ร, ราชิกไม่ได้อยู่เองแต่จะว่าไม่มีโทษก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะเหตุนั้นท่านจึงปรับอาบัตย่อนลงมา เหมือนกฎหมายสำหรับบ้านเมืองที่วางโทษแก่พูดทําผิดไว้อย่างแรงถ้าทําผิดไม่ถึงที่ก็ลงโทษหย่อนลงมาพึงเห็นในโทษฆ่าคนนั้นเถิดอาบัตที่ลดจากป ร, ราชิกและสังฆาทิเศษเพราะทําผิดไม่ถึงที่นั้นทุนลจริบ้างทุกกดบ้างอาบัตที่ลดจากปาจิตตี เวณโอมาสวาธาและที่ลดจากปฏิเทสนิยะมีแต่ทุกกฎอย่างเดียวอาบา ท, ที่ลดจากโอมาสวาธาสิกขาบทมีทุกภาสิทธ์ด้วยในเศขยายวัตรข้อหนึ่งหนึ่งมีคำว่าพึงทำความศึกษาอย่างนั้นๆอธิบายตามวิพังว่าทำไมเอื้อเฟื้อต้องทุกกฎ อาบัตเช่นนี้เรียกเอาชื่อวิพังเข้าประกอบว่าวิพังฆาตุลใจวิพังฆาตุกกฏเพื่อจะได้แปลกจากอาบัตในที่อื่นส่วนทุกพาสิทธนั้นเรียกลอยลอยเพราะมาในวิพังแห่งเดียวส่วนสิกขาบทเดิมเป็นต้นเขานั้นเรียกว่ามาติกา ในที่นี้กล่าวความแห่งสิกขาบทหนึ่งแล้วจากแจกอาบัตในวิพังนั้นด้วยในที่อันควรจะกล่าวข้าพเจ้าปรารถนาและแสดงสิกขาบททั้งหลายให้เป็นหมวดหมวดตามความหมายของสิกขาบทเพื่อผู้ศึกษาจะได้อย่างเห็นโทษหนักเบาถนัดแต่การที่ไม่กล่าวตามลำดับในพระปาติโมกนั้นจะให้จําและค้นคว้ายากเหมือนกันเอจนั้นจะกล่าวตามลำดับในพระปาติโมก่อน และจึงจัดจัดเข้าหมวดต่อไปสิกขาบทมาในพระปาติโมกนั้นจัดเข้าเป็นพวกตามชนิดแห่งอาบัตเช่นป ร, ราชิกพวกหนึ่งสังฆาทิเศษพวกหนึ่งเป็นต้นเรียกว่าอุทเทศอันหนึ่งอันหนึ่งเช่นป ร, ราชิกกุทเทศสังฆาทิเศสุเทศเป็นต้นแต่เศขียวัตนนั้นเรียกเศขียุทเทศ อุเทศเหล่านี้มีนิทานุเทศนำหน้ากล่าววิธีอันภิกษุกู้ฟังปาติโมกควรประพฤติอย่างไรรวมเป็น9ก้าอุเทศด้วยกันผู้ไม่เข้าใจมาคดภาษาปรารถนาจะรู้ความแห่งอุเทศเหล่านี้จงดูในพระปาติโมกแปลเถิดในที่นี้ข้าพระเจ้าจากแสดงเท่าสิกขาบทและจะแปลความแห่งสิกขาบททั้งหลายตามจำนวนบาลีเดิมเพื่อผู้ศึกษา จะได้รู้จากสันนิษฐานถ้อยคำและโวหารและจะอธิบายความในที่ควรรู้ไว้ด้วย